สองเมื่อวานครับเมื่อวานนี้เห็นไหนนะพระเจ้าค่ะไอ้คานศิษย์ของคานศิษย์อโชติสิขาบุตรใช่ไหมโชติสมมาทานะศรริขาบุตรนะครับเกี่ยวกันก่อไฟผิงใช่ไหมเราที่สื่อก่อไฟผิงกอเองก็มีใช่ไก่ออดีเสื้อผิง ไม่ได้ป่วยไข้ใ่มแล้วก็ไม่ได้มีเหตุที่สมควรครับต้องแับปาจิตีในสถาบ น, นั้นตอนทีเรามาถึงไอเนี่ยสุราปรานวัฒนครับวันนี้ยังจบนะสุราปรานวัฒนครับเ ม, มื่อวานที่พูดถึงก่อไฟน่าหน่อยทัวร์นี่หนี่นครับเกี่ยวกอบก่ <c oughs> อไฟห่วานนะที่สุมเมียนว่าถูกแล้วนะนะที่ว่าดุ้นฟืนใช่ไหม ดุลฟืนที่มันตกมาจากเตาของเราหรือตกมาจากกองไฟนะเรากำลงังผิงไฟใช่ไหมถ้าอยู่กลางผิงไฟดีเนะี่ยก็จะมีดุนฟื้นตออกลงมาเองครับดุลฟื้นที่ตออกลงมานั้นมันยังติดไฟอยู่ก็ดีครหรือไฟดับไปแล้วก็ดีทื่หยุดสเข้าไปใหม่อันนี้เป็นแค่อาบัตดทุกกฎอาบัดจะรอดลงแต่ถ้าว่ากองไฟนั้นมันหมอกแล้วครับไฟนัมันหมอกแล้วนะ พิสูจนนะครับใส่ดุน้นฟืนเข้าไปไม่ไม่ใส่ก็ได้แต่นะครับว่ากองไฟน้ำหมอแล้วพิสูจสูงนะครับทํารูปโพลขึ้นมาอีกนะ mm hmm. นี่แป็นน้ำประปาีหรือใส่กองฟืนใส่เชือกเข้าไปอีกนะครัแล้วก็เป่าเป็นต้นใช่ไหมให้มาลุกใหม่อีกนี่คือเป็นน้ำประปาดี mm hmm. อย่างนี้นะข mm ้อ hmm. น, นี้ก็แค่นี้นะครับแล้ว mm hmm. อ, อันนั้นก็เป็นอาวัตติก่อนครับถ้ามันดับอย่าที่เขาก่อไปเอาไปสุบอ๋อสูบผู้มาใหม่อีกไม่ว่าไปตีครับไม่เกี่ยวถ้าเราก่อเองต่ออ๋อไม่เกี่ยวครับ อ, อ๋ถือว่ามันหมอด้วยใช่ไหมก็ถือว่าเราทำผู้มาใหม่หือว่าถ้าถ้าเขาต่อก่อไปแล้วถ้าเขาต่อไปแล้วเราก็แค่ได้ดูสู้คราวคราใช่ๆไม่ได้ ไม่ <laughs>